พระธรรมเทศนาแผ่นที่73าลำดับที่4โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่10กุมภาพันธ์ 2,558 มีชื่อเรื่องว่าเคยเคารพกันมาก่อนวันนี้เป็นวันที่สิบ กุมภาพันธ์พุทธศักราช2558วันนี้หลวงพ่อได้กล่าวย้ำเตือนพวกคณะกลุ่มลูกหลานของพวกเราคนะณะในครัวให้ช่วยๆกันดูประมาณสิบนาฬิกาสนาฬิกาวันนี้โรงเรียนราชินุเทศ จะเข้ามาวัดของเราแล้วก็มารับทานอาหารแล้วก็คงจะขึ้นไปกราบพระผูก้อนนะแล้วก็ในเมื่อมาถึงวัดของเราให้ช่ว ย, วยกันดูอย่าให้ขาดตัวบกพ้่องเด็กนักเรียนทั้งห้าหกร้อยคนรวมทั้งครูบาอาจารย์ด้วยก็ 6ก0กว่าคนคนหกร้อยกว่าไม่ใช่น้อยนะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านช่วยๆกันดูแต่ก็ครูบาอาจารย์ที่มาด้วยต้องก็ดูแลลูกศิษย์ของท่านเหมือนกันเพียงแต่ว่าให้ปัทถุ ด, ดิบของเราอย่าให้ขาดเหลือขาดตกนะอย่าให้ขาดตกบกพร่อง ช่วยคงจะเตรียมกันไว้ละมัง้งอันนี้เพียงแต่หลวงพ่อเองกล่าวย้ำเตือนอย่าให้ขาดตกบกพร่องให้ช่วยช่วยกันดูทุกคนอ่าไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคณะใดคณะหนึ่งนะทุกคนให้มีส่วนร่วมให้ดูเพราะว่าลูกหลานมาสู่วัดของเราหลวงพ่อในฐานะที่เป็นเจ้าของบ้าน ถ้าไม่อาศัยลูกหลานคณะรัตยาญาติยโยมผู้มาเกี่ยวข้องเลยจะพึงไปอาศัยใครก็ต้องพวกเราทุกคนต้องแข็งขันดูแลคนละไม้คนละมือขาดเหลือขาดตกอะไรบอกมาบอกกับหลวงพ่อไม่ใช่จาข่าวนี้นข้าวต่อไปกงเหมือนกันและหลวงพ่อเอ ง, เองก็เคยบอกมาหลายครั้งหลายโหนเหมือนกัน มีมีอะไรถ้่มันหนักใจหรือว่ามีอะไรหนักที่จะต้องได้ใช้จาจที่จะต้องได้ใช้วัตถุหลวงพ่อก็พร้อมที่จะรับฟังตลอดแต่ถ้าว่าบางเรื่องบางราวหลวงพ่อเองก็ได้ปฏิเสธไปเพื่อนกันนะนนันตถาญาติโยมลูกหลานบางทีมันก็หนัก้ามันหนัก เราก็รู้นะถ้าไม่จำเป็นจริงเราก็ได้ปฏิเสธไปอันนั้นเป็นแนวความคิดของหลวงพ่อเองนะ <c oughs> แต่ถือยังไงวัดวาศาสน า, าพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเราอันนี้ก็คือทายาททายาทของเราต่อไปภายภาคหน้า ถ้าเราไม่ปลูกฝังอุปนิสัยเอาไว้ลูกหลานของเราจะเมื่อเป็นผู้ใหญ่ขึ้นม า, าจะเป็นคนดีได้อย่างไรเพราะเราไม่ได้ปลูกฝังถ้าเราปลูกฝังอุปนิสัยของเขาไว้เมื่อเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาก็จะได้สานึกนึกคิดได้ว่าเออสมัยหนึ่ง เ, เราได้ไปสู่วัดวาศาสนาไปถึงไปวัดของหลวงพ่อหลวงพ่ออิน ได้ขึ้นไปกราบพระเราก็ได้ไหว้พระสวดมนต์ได้ทำพิธีได้เห็นวัดของท่านสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นการฝังลึกเหมือนกันนะเพราะนั้นอย่างที่หลวงพ่อไม่เคยเข้าวัดมาก่อนโยมพ่อก็มาพามากราบคาวะสมัยนั้นหลวงพ่อยังเป็นเด็ก มาที่บ้านห้วยทรายมาก็เนี่แหละรู้ได้จากลุงปู่สชิงทองนะั่นลุงปู่เิงทองท่านรู้จักกับคนนั่นคนนี่ลุงพ่อก็เป็นเด็กเข้ามาก็ยังมาทานอาหารในวัดของท่านอะยังไปล้างกระโถนให้ท่านท่านให้ไปล้างกระโถนอยังไปได้นากระโถนกระโถนไปล้าง หลวงพ่อยังจำไม่ลืมกระทั่งทุกวันนี้ยังเป็นสมัยเป็นเด็กอายุคงยังไม่ถึงสิปี <c oughs> ในช่วงนั้นนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละลูกหลานเข้ามาสู่วัดว า, าศาสนาคือบางเสียงบางอย่างเขาอาจจะได้นำข้อคิดหรือว่าครูบาอาจารย์ผู้แนะนำมาก็คงจะขัดเกลาพอสมควรก่อนที่จะเข้ามาสู่วัดว า, าศาสนา ไม่ใช่ว่าจะเข้ามาแบบด้ย่ดยคงจะได้รับการอบรมจากโรงเรียนทําความเข้าใจกับนักเรียนพอสมควรก่อนที่จะนํานักเรียนเข้ามาสู่วัดพอเข้ามาสู่วัดทางวัดก็ได้ตอนรับขับสู้แล้วก็ให้แสดงความคิดเห็นไหว้พระสวดมนต์สมาทานศีลอย่างนี้เป็นต้น อันนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นการปลูกฝังอุปนิสัยของลูกหลานให้เป็นผู้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีถ้าว่าพวกเราไม่ปลูกฝังเอาไว้ลูกหลานของเราคนใหญ่ขึ้นมาแบบดุ ย, ดยต่างคน ก, ก็ต่างมีความรู้แต่คุณธรรมไม่มีในจิตใจจะพูดจะกล่าวอะไรก็พูดหลุดปากออกไปโดยไม่รับผิดชอบหเห็น ได้มากต่อมากในยุคสมัยนี้อย่างพวกเราเห็นในสื่อต่างๆหลวงพ่อเห็นแเ้าก็ไม่สบายใจคนในประเทศชาติของเราน่าจะรู้จักสูงรู้จักต่ำรู้จักสิ่งควรไม่ควรสิ่งไหนควรพูดสิ่งไหนไม่ควรพูดไม่ใช่ว่าลวมปากออกมาจะพูดอะไรก็พูดออกไปเลยโดยเหมือนกับไม่ได้รับการศึกษาที่ดี ไม่มีจริยธรรมที่ดีเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้พวกเราครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะควรจะสอนไม่ใช่สอนให้แต่ความรู้อย่างเดียวควรสอนจริยธรรมคือความประพฤติด้วยหลวงพ่อว่านะแต่ทุกวันนี้โดยมากมีแต่สอนกันวิทย์กนันเนตอังกฤษมีแต่สอนเรื่องความรู้ เพื่อจะให้ได้ห้ำพันกันแต่คุณธรรมจริยธรรมคือความประพฤตินั้นไม่ได้สอนสอนกับสอนน้อยมากเพล่เพลยังหัวเราะ อ, อีกต่างหากสอนเลอกศิลธรรมอสอนศิลธรรมเข้าไปครูศิลธรรมสอนกับอายหมูอีกต่างหากาแต่ตามไม่จริงเวล า, เ, าเด็กแห่แว่นทั้งหลายาไม่รู้จักวิธีการ เพราะมันออกนอกรูนอกทางไม่มีจริยธรรมพองพากันโบนเดือดร้อนเพราะเหตุไรเพราะไม่ได้สอนอสิ่งควรไม่ควรนะหลวงพ่อว่าเนี่ยความรู้คู่คุณธรรมมันต้องไปด้วยกันคุณธรรมคํานี้น่ะคืออะไรนคุณธรรมก็คือสอนความประพฤติอแต่เดี๋ยวนี้พวกเรามีแต่สอนวิธีฝนมีดนะ อฝนมีดให้คมพอมีดคมแล้วไม่มีฝักมีดไม่มีฝักตามไม่จริงมีดต้องมีฝักพอฝนเสร็จเรียบร้อยก็เก็บเป็นที่เป็นทางเก็บในเป็นฝักในเมื่อต้องการใช้ยังถอดออกมาออดมาใช้อานันแปลว่ามีดมีฝักแต่โดยโดยมากมันเดี๋ยวนี้มันมีดไม่มีฝัก พอฝนเสร็จแล้วก็ทิ้งเกลื่อนไปหมดบางทีก็เตะบางทีก็ไปเสียบไปแทงกันเล่นเอไปใช้มีดในทางที่ไม่ถูกต้องเดือดร้อนฟุ่นวายไปหมดเพราะอะไรเพราะมีดไปมีฝักฝักนั่นคืออะไรก็คือจริยธรรมคือความประพฤติให้ถูกต้องความรู้คือเรียนศึกษาวิชาที่ได้เรียนมาจริยธรรมเอ เมื่อนําเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างนักกฎหมายอย่างนี้เรียนกฎหมายมาแล้วเราก็ใช้เกิดไปหมดไปคดไปโกงไปพ้นไปเจี๊พรรู้จักกฎหมายมีเห็นช่องเห็นทางพราะค น, คนอนคนอื่นเขาไม่ได้เรียนกฎหมายก็เราก็พร้อมที่จะใช้ความรู้ของเราไปในทางที่ไม่ถูกต้องอันนั้นแปลว่าขาดจริยธรรมถ้ามีจริยธรรมในใจแล้วเราต้องคิดว่า เมื่อเราไปทำให้กับเขาถึงเขาจะไม่รู้เขาก็เดือดร้อนเขาก็ทุกใจในเมื่อเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราไปทำให้กับเขาอย่างเนี้ยถ้าเขามาทำให้กับเราอย่างที่เราไปทำให้กับเขาเนี่ยเป็นยังไงเราทุกข์ใจไหมเราก็ต้องทุกข์ใจเพื่ออะไรเพราะเขามาทำให้กับเรานี่แหละอันนี้คือหลัจริยธรรมเพราะนั้น สอนจริยธรรมก็คือเราเป็นด่าให้เขาตั้เามื่อเขาด่าให้เราล่ะอย่างที่เราด่าให้เขาเราเดือดร้อนไหมเดือดร้อนฮะแต่เขาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างก็จริงพูดความจริงแต่มันจริงถ้ามันจริงไม่รู้จักการเทสะก็ทําให้เดือดร้อนเหมือนกันควรจะรักษาแนวกิริยามารยาท สําหรับตัวเองหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยว่ากาลเทสะบุคคลให้รู้จักการจากสถานที่รู้จักบุคคลควรจะพูดยังไงควรจะทํำยังไงไมิจึงจะถูกต้องเหมาะสมเป็นธรรมฮสิ่งเหล่านี้อยากจะให้กับพวกเราทุกๆท่านนะคณะทายาทโยมลูกหลานทุกคนนะอนะการดูด้วยกันเป็นหมู่เป็นคณะนะต้องรู้จักเกรงใจ ไม่ใช่ว่ามีอะไรก็พูดแพร่ผไปหมดมีอะไรก็เปิดเผยต้องเปิดให้เป็นความจริงเปิดเผยบางสิ่งบางอย่างมันเปิดไม่ได้มันต้องปิดไม่ว่าประเทศชาติไม่ว่าชุมชนไม่ว่าสำนักงานไม่ว่าวัดวารศาสนาไม่ว่าในตัวของเราตัวของเราก็เปิดหมดไม่มีเสื่อไม่มีผ้าะเป็นยังไงมันไม่น่าดูเหมือนกันน่แหละ เขาบอกเปิดอ่าันส่วนไหนควรจะปิดเนี่ยควรจะปิดนีอันนี้ก็เหมือนกันภายในวัดหรือภายในสำนักงานของเราควรจะปิดอันไหนควรจะปิดไว้ไม่ใช่ความลับนะแค่บอกปิดเป็นเอ่อเรื่องที่เราจะดําเนินการอย่างไรในเรื่องนั้นๆมันต้องมีนะออันนี้หลวงพ่อไม่อยากจะพูดในจุดนี้นะพูดในจุดนี้มันคล้ายๆว่าอย่างลึกเกินไป แต่ตามไม่จริงมันต้องมีทุ ก, ท, ก, ท, กทุกระดับน ะ, ะพูดอย่างนั้นได้นะจะได้มาพูดเกี่ยวกับคุณธรรมจ ร, ร, ริยธรรมจริยธรรมถ้าหาว่าเราทำดีมันเป็นอุปนิสัยนะอุปนิสัยติดพบติดชาติถ้ า, าว่ามีมีพพมีชาติต่อไปภาคหน้าเรายังไม่พ้นทุก ยังเป็นครูบาอาจารย์เหมือนกันสอนนักเรียนสอนนักศึกษาเนะ่ต่อไปภายภาคหน้าเนะี่ยเป็นมันตินมันมันเป็นแนวแนวแถวที่ติดพบติดชาติอย่างสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีเ่ท่านพาพระ อ, ออกทุดงหรือว่าออกไปโปรดสัตว์โปรดปะ พี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมพอสมัยนั้นไม่มีรถใช่รถราเนี่ยไม่มีพี่แต่เดินพระพุทธเจ้าก็เดินเหมือนกันด้วยเดินด้วยพระบาทแต่พระสงฆ์ทั้งหลายก็เดินท่านก็ออกไปตามชนบทต่างๆแต่ทีนี้วันหนึ่งพระพุทธองค์เดินออกจากในเมืองแต่พวกเด็กทั้งหลาย เด็กนักเรียนเขาก็ออกไปหน่วยออกหน่วยงานออกออกหน่วยออกสนามออกไป อ, ออกไปเพื่อทัศนศึกษ า, าในน อ, นอกเมืองพระพุทธองค์ก็เดินเดินสวนทางกับเด็ก เ, เด็กสวนทางพระสงฆ์ตั้งหนะ้าร้อยเดินสวนทางเด็กก็เยอะเหมือนกัน ทีนี้พระองค์ก็เดินไปไปเห็นต้นไม้ต้นใหญ่ร่มเงาเป็นที่ราพรื่นพระพุทธองค์ก็บอกกับพระอนุนว่าอานุนเนี่ยพักอยู่ที่นี่ล่ะะอา้พาพระสงฆ์ทั้งหลายพักมานั่งรวมกันท่อคอยอคอยอชั้นชั้นขนม เ, เดี๋ยวเด็กเหล่านั้นเขาจะเอา ขนมมาถวายพระสงฆ์พระสงฆ์ทั้งหลายก็งงเหมือนกันนะเอ๊เห็นเด็กเหล่านั้นก็ไม่เห็นแสดงความเคารพอะไรที่เดินสวนทางกันนะเนี่ยเห็นเขาเฉยๆอยู่ก็ไม่ได้เคารพพระพุทธเจ้าไม่ได้เคารพพระสงฆ์อะไรทำไมพระพุทธเจ้าจึงให้มานั่งและให้นั่งคอยจะได้ฉันขนมของเด็กนักเรียนนะ คงจะเป็นนักเรียนใหญ่ น, ะนักศึกษานะพวกก็นั่งพร้อมแต่ที่พวกคือตามปกติพระพุธองเฉด็จไปนะัสถานที่ใดพระสาวกพระผู้ใหญ่เหยี่ยนพระโมกขราสลรบุตรเหยี่ยนกิดกัดสปะต้องเดินล้าหลังคล้ายๆกับว่าพระสงฆ์องค์ไหนที่ไม่สบายหรือว่าเดินไม่ได้ พระที่พระเทระผู้ใหญ่ที่เดินล้าหลังเนี่ยเดินตามหลังจะต้องดูความพร้อมในการเดินของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็คือเป็นประเพณีแต่วันนั้นก็เช่นเดียวกันพระมหากัสน ป, ป่ากับพระอีกกลุ่มหนึ่งเดินตามหลังตามหลังพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นกลุ่มใหญ่พระสงฆ์กลุ่มใหญ่ผ่านไปแล้วนะ พระมหากัสจป่าก็เดินอาตามหลังก็ติดติดกันนะะั่นแหะตอนนี้พวกนักศึกษานักเรียนทั้งหลายเห็นพระพุทธเจ้าก็เฉยเยก็ไม่มีอะไรแต่พอมาเห็นพระมหากัจจปะเท่านั้นอ่ะโอ้เออเป็นพระมหากัจจปะเข้าไปกราบเข้าไปเคารพสักการะเป็นฝูงฝงเลยทีนีอพ ร, พระมหากัจจปา่าบอกเออเอ า, เอาลูกหลานทั้งหลาย เอาอาหารเอาขนมมาถวายเออเอาลูกหลานขนมมาถวายก็ดีละปะนู่นพระพุทธเจ้านั่งประทับอยู่ที่โคลนต้นไม้เนี่ยไปหลวงตาหลวงพ่อจะพาไปเด็กนักเรียนทั้งหลายก็ล้มไปอพอล้มไปทีนี่กัพระมหากัสปะก็เป็นผู้รับขนมจากนักเรียนที่เขาถวายจากนั้นพระสง์เอาไปถวายพระพุทธเจ้าถวาย พระสงฆ์ทั้งหลายได้ฉันขนมโดยพร้อมเพียงกันพอ่งั้นว่าฉันขนมอะไรของนักเรียนได้ฉันเสร็จแล้วจากนั้นก็เดินทางต่อเมื่อผึงที่พักพระสงฆ์กลุ่มหนึ่งก็ได้สนทนากันโอ้ทาไมทำไมเด็กนักเรียนเห็นพระมหากระซัปาแล้วจึงเกิดความพ ร, รบนับถือเลื่อมใสทั้งที่น่าจะเลื่อมใส กราบพระพุทธเจ้าจะมากกว่าในความเห็นของผมนะแต่นี่เขาทำไมไปให้ความเคารพในพระมห า, ากัสปะ <Yeah. S 1> ดูๆแล้วด้วยความเคารพอ่อนน้อมจริงๆ เ, เห็นแล้วก็น่าถึงเด็กนักเรียนนักศึกษาเหล่านี้นะพระพุทธองค์จะด็จมาถามบรรดูกรภพกษุทั้งหลายพวกเธอส น, สนทนากันด้วยเรื่องอะไร พระสงฆ์ทางหลายกระราบทูลพระพุทธเจ้าวันเนี่ยเมื่อเช้าข้าพระองค์ก็แปลกใจเมื่อพระพุทธองค์เดินผ่านเด็กก็ไม่มีปฏิกิริยาอะไรที่จะเขาจะเคารพบนับถือเลื่อมใสเขาก็เดินผ่านๆไปให้หลีกทางท่านเองแต่ทําไมไปเจอพระมาหากะาัะสปะคองเอาพระมาหากัะสปะก็เกิดความเคารพบเลื่อมใสเป็นฟูงๆเลยเ อ, อพระมาหากัะสปะพูดยังไงเขาเอา เอาด้วยทั้งนั้นข้าพระองค์ก็เลยแปลกใจไปเจ้าข่าพอพระพุทธองค์บอกว่าฮไม่ต้องไม่ต้องแปลกใจพิกษูทั้งหลายตะกอนเนี่ยนี่กาสปะเนี่ยเคยเป็นอาจารย์ของเขาเคยเป็นอาจารย์ของเด็กนักเรียนเหล่านี้นะในเมื่อเขามาเห็นอาจารย์ของเขาเท่านั้นละ่ะเขาแสดงความเคารพอ้อนนอบทุกอย่างมันเป็นอุปนิสัยของเขาที่เคยเป็นครูบาอาจารย์กันมาก่อน เพราะนั้นมาคราวนี้เขก็ไปเห็นอาจารย์เก่าของเขาพอเห็นแล้วก็มันซึ้งในจิตในใจเพราะนั้นอย่าไม่ต้องแปลกใจนี่แหละอันนี้ชาดกเรเรื่องเหล่านี้ที่พระองค์ก็บอกว่าการสร้างคุณงามความดีการทำคุณงามความดีไม่ไม่เสียไม่หายไม่ไปที่ไหน มันติดพบติดชาติต่อไปภายภาคหน้าที่เป็นที่เราให้ความรู้ความฉลาดให้ความรู้กับเด็กกับเขานั้น่ะมันเป็นมันฝังลึกในจิตใจพอเห็นครูบาอาจารย์เก่าเท่านั้นเองก็เกิดความเคารพนับถือเลื่อมใสศรัท ธ, ธาลึกๆในจิตในใจเป็นอุปนิสัยเก่าให้ความครรับนี่แหละสรุปแล้วก็คือ ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดนะแล้วก็พร้อมกันถ้าคุณใดทําคุณงามความดีกับผู้ใดใครก็ตามนะถ้าต่อไปภายภาคหน้าถ้ามีพบมีชาติก็จะได้พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันถ้าเรามีแต่ไปที่ไหนมีแต่สร้างเทอริศัตรู เ, เห็นใครก็มีแต่สร้างอริศัตรูกับผู่ขนทั้งหลายมีแต่ไร้เมตตาไร้ความ ออารีไรกวนไราการสงเคราะห์อนุเคราะห์นะะไปนักสถานที่ใดเขาเห็นก่อนนะั่นอ่ะคว้างหูขว้างตากันไปหมดเพราะเหตุไรเพราะมันติดภพติดชาติเหมือนกันนะ เ, เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะคณะสัตยาญาติโยมไปที่ไหนควรจะมีน้ําจิตน้ําใจมีเมตตาข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิ ญ, ญญาณอื่นทั่วไตรโลกธาต ก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกๆดวงวิญญาณให้คิดในใจไว้อยู่เสมอก่อนไหว้พระสวดมนต์ไปในสถานที่ใดก่อนที่เราจะเดินทางไกลก็เหมือนกันเราต้องมีเมตตาในจิตในใจไว้ไปที่ไหนตลอดปลอดภัยเพราะคุณเพราะคนมีเมตตาแล้วไปที่ไหนร่มเย็นเป็นสุขไปหมดถ้าไปที่ไหนมีแต่ พยาบาทอาขาดจองเวนโมโหโกธาใครขวางหน้าก็ไม่เนีด่ากลาดไปแบบบีบแตล ด, ด่าไปเรื่อยเนยไปเห็นสูวัดวาศาสนาก็เห็น ก, กัก ด, ด่าไปอีกมีแต่สร้างแต่อริศัตรูไปที่ไหนจะหาความพรู้เย็นเป็นสุขได้ยังไงมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายใจของตัวเองกันนัเนี่ยขุ่นมัวอยู่ตลอดเวลาเพราะอารมณ์โทสะนะเพราะนั้นให้พวกเราทุกท่กทานนะ Hey, าาให้สำรวมกายวาจาใจสำรวมกายวาจาใจสัารวมใจทันทีที่สุดน ะ, ะวันนี้ก็ให้แนวความคิดสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายอตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพร น, นะ